จะสรุปรูปนามไปมันจะต้องเป็นปรมาติแต่การเห็นปรมาติหมายความว่าเห็นการกระทบของรูปกับนามแต่ครั้งแรกเนี่ยเห็นมันคิดไปแล้วแต่มันถึงรู้สึกแกมันยังใช้อะไรนี้ได้เพราะว่าเราอยู่มาเข้าปัญญาไม่ได้แต่หลังจากครั้งที่8ปดพนไปจะเป็นที่บ้านเห็นเรียกว่าการกระทบกล้วตื่นดมปัญญาตรงนี้ก็เรียกว่าปรมาติเบื้องต้นเพราะนั้นปรมาติเบื้องต้นนี้ก็ก็เรียกว่าใช้ความคิดเปบ้านหัง คือหมายความจับความคิดเป็น้ใช้มันเป็นบางคือเมื่อก่อนเห็นมาได้ใช้มันได้เป็นมเรียกว่ารูปนามแต่เมื้อโตแล้วเห็นประมันเนี่ยเห็นความคิดแล้สามารถจัดการความคิดเป็นส่วนจจัดการได้มากได้น้อยถือว่ายาของเราจวิญญาณมากเป็นิญญาณถ้าเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณอยู่นอยู่ในรูปนามแต่ต่อมาเมื่อเห็นการเป็นเาเป็นรู้เฉเฉยแล้วจัดการความคิดคิดก็ได้มีคิดก็ได้ นี่นการการควาคิดได้ปรมาณูลุ่มลุ่มแต่ยังตัความคิดไม่ไถามว่าปฏิบัติเนี่ยก้าวหน้าไปบ้างไหมก็มีย่ําอยู่กับที่บ้างถอยหลังบ้างก้าวไปข้างหน้าบ้างนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีความรู้สึกว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อ มันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็พยายามพยายามที่จะดูระวังรักษาใจของตัวเองอยู่ตลอดก็บางครั้งก็รู้เท่าทันบางครั้งไปถึงไหนไหนแล้วก็ไม่ทราบก็ต้องเรียกกลับมาก็ถามเพราะฉะนั้นถ้าจะขาวว่าก้าวหน้ามายังช้าอยู่มากค่ะน อ, นอกจากจะมีแต่แต่มีความตั้งใจว่าจะมีความจะเพียรพยายามทําให้ถึงที่สุด คิดว่าวันหนึ่งคงจะคงได้มีโอกาสได้ก้าวหน้าได้เห็นอย่างคุณประจบรู้สึกบ้างอนะคะจะจะแน่นอนที่อาจารย์สมาิกเช็คได้ ว, ว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวนี่นะค่ะเออะไรเขารู้ว่ามันกล้าวหรือมกาวจากความรู้สึกรู้ตัวค่ะกควรู้ตัวนะค่ะ<อ>แต่ที่มันรู้สึกว่าช้าเพราะว่าจากความคิดได้ช้าเกไปใช่ค่ะ ผ่านไปหลายเลือกค่ะใช่ค่ะทำไมรู้มครัครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่ค่ะกราบนศการพระอาจารย์นะคะแล้วก็พระสงฆทุกรูปนะคะกราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อระวีการพรมมายน์นะคะเป็นลูกสาวของคุณพ่อประจวบกับคุณแม่เพียมสุขนะคะโดยการชักนําของคุณพ่อและคุณแม่เข้ามานะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะที่เข้ามาปฏิบัติจากที่ปฏิบัติครั้งที่สามรู้สึกได้ว่า การปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดนะคะอารมณ์ความรู้สึก <ไป S 1> แต่คร <2, 3. S 1> ั้งที่หนึ่งไปที่วัดถ้ำคิดอะรครั้งที่สามค่ะ <3. S 1> ค่ะจะเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็พาจารย์จะแนะนําว่าให้ดูให้ชัดและตัดความคิดให้ชัดให้เห็นความคิดให้ชัดขึ้นชัดขึ้นในแต่ละขณะถ้ามาเรื่อยๆค่ะค่ะแต่พอปัญหาคือพอกลับไปที่บ้านนะคะช่วงอาทิตย์แรกก็ พอปฏิบัติได้บ้างแต่พออยู่ไปเรืแล้วความเพียรเริ่มลดน้อยลงอะค่ะครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาเติมความเพียรให้มากขึ้นแล้วก็จะทํำยังไงที่จะไปปฏิบัติที่บ้านให้ต่อเนื่องได้อะค่ะแต่คุณพ่อก็พยายามที่จะให้คำให้ความรู้อะค่ะในทางธรรมะว่าปฏิบัติแล้วดียังไงจะส่งผลยังไงอะค่ะแต่ที่เห็นชัดคือพอไป อยู่ในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะอารมณ์ความรู้สึกโกรธหรืออะไรเงี้ยค่ะจะควบคุมได้มากขึ้นนะคะคือจะเห็นความโกรธหรืออารมณ์ที่เราไม่พอใจชัดเจนมากขึ้นแล้วก็พอเหตุเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกสงบลงได้เร็วขึ้นนะคะกว่าที่เคยผ่านมาค่ะนนใช่เองค่ะไม่ได้ขอคุณพ่อคุณแม่และทาะค่ะติดนี่ไหมครับพ่ติดค่ะติดนี่ไหมเด็กไม่ไม่ค่ะหลวงพ่อไม่ติดนี่นะค่ะการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนหาเงินนี่ย คือเสียตลอดเลย ค, คื อ, อาจจะได้สําเร็จประสงค์คือได้ น, นี้มานะแต่ที่เสียคือสติที่จะจับต่อไป ม, มันเสียไปเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าโอออกไปหรือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเคยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเออนรูไปนั้นหมายก็เราจ่ายมากกว่าได้แต่ถ้าจะเธอจะเข้มแข็งขึ้นหมายความสมมติลุกขึ้นสิครั้งเนี่ยตั้งใจแล้ก็ตั้งใจถึงตั้นจะไปอยู่ สักห้าครั้งในสิบครั้งเนี่ยนะจะเป็นเวลานั้นหลายความว่าโอกาสที่จะมีกําไรเยอะถ้าเจ็ดครั้งแปครั้งนั่นถือว่าในระดับใกล้เศนะรษฐีได้แน่แต่นี่ในสิบครั้งเนี่ยเธอึขึ้นได้หรือเปล่าว่ธอรู้ไปทําค่สิบครั้งเนี่ยเธอระลึกได้กี่ครั้งที่ตั้งใจจะระ้รู้ในการไปไปมาแต่ละครั้งพอจะจาได้ไหมว่าพอจะเรียนรู้ได้ไห พอเป็นช่วงแรกๆค่ะก็จะจ ะ, จะได้มากหน่อยแต่พอผ่านไปหลายๆวันเข้าก็ชักจะเริ่มอ่อนลง เ, ลยเรยครอะไรกราบนมันสการพระอาจารย์พระพิสุทสง์แล้วก็กัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะดิฉันนางกะนกพรเชื้อทางหัวเป็นคนใหม่แล้วก็ได้คุยกับคุณเปี่ยมสุขกับคุณประจวบคือปฏิบัติ ธ ร, รมกายมาตั้งแต่ลูกอยู่ปนหนึ่งจนถึงปัจจุบันแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถึงที่สุดที่เราต้องการคือในใจคิดว่าไม่อยากเกิดแต่ที่ทํามาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่พอแล้วเวลานั่งก็จะมีคําว่าปฏิจจสมุตบาทขึ้นมาก็ไปหาอ่านหนังสือ มันก็ยังไม่ใช่อีกมันมีความรู้สึกว่าเรายังทำไม่ได้ก็แรกๆนี่จะทุกวันยกเว้นวันพุธคือไปนั่งกับผ้าจารย์ทุกมีบางครั้งก็ไม่ใช่ในใจบอกไม่ใช่ก็จะหยุดไปออกไปตามต่างจังหวัดไปกราบ หลงปู่มั่นบ้างที่ที่ท่านนะคะค่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์อย่างเนี้ยค่ะเพิ่งเพิ่งทราบเนี่ยค่ะพอทราบกันพอทราบแล้วก็คุยกันเพิ่งทราบ ไ, ไม่นานนี้ค่ะพอคุยกันเสร็จแล้วก็ถามวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย พอเจอกันเสร็จปั๊บก็บอกว่ามาก็มาลก็าันมากการอ่าหลวงพ่ อ, อพระภิกษุสงฆ์สามเณรและก็ญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อจิลาพร์เมธาวดีค่ะปฏิบัติปฏิบัติตสายหลวงพ่อเทียนมานี่เก้าปีค่ะแต่ว่าแต่ว่าปฏิบัติ กับครูบาอาจารย์ท่านอื่นค่ะแล้วทีนี้ปฏิบัติเองเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็ตามรู้ทุกอย่างเลยทั้งในและนอกนอกรูปแบบทั้งสิบสี่จังหวะแล้วก็ทั้งหยิบจับอะไรรู้หมดไงค่ะรู้ทั้งตัวเลยไงค่ะแล้วปรากฏว่าตัวลอยตัวลอยนะคะนอนก็เวลานอนก็ตัวก็จะลอยขึ้นเนี้ย แต่เรามือค้ำนิ้วเอาหลังเราติดพื้นที่นอนอยู่เนี่ยแต่ต ห, ตตหต ล, ตลับตาเจ้าค่าาาะก็นอนกลางคืนเนี่ยเจ้าค่ะก็หลับตาแล้วแล้วทีนี้สมมุติอ่าถ้าเราจะลุกเนี่ยสมมุติมามาคอดเนี่ยมันจะตื่นก่อนสมมติว่าเขาจะตีตีสี่ข้อะระฆังนีสามครึ่งก็จะตื่นแล้วแต่ก็จะนอนนอนอยู่นอนดูตัวนะ นอนว่าหลังแตะพื้นยังไงแข้งขามือวางอยู่ตรงไหนจะดูหมดแล้วปรากฏว่าพอเขาคลอดละครเป้งเนี่ยมันจะลุกขึ้นนั่งแอดนั่งเลยนั่งก่อนแต่ตัวนอนอยู่นะไม่ก่อนก่อนเข้ามาค่ะก่อนจะตามหาหลวงพ่อ <laughs> แล้วแล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาหลวงพ่อก็เลย <laughs> เพื่อนบางคนว่าเธอเนี่ยมันจะมันรู้ธรรมใครแแมกอยู่ตรงนี้ใครแแมกว่าตัวเองจะบรรลุธรรม ก็เลยมันเกิดอาตาตัวตนมากขึ้นนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็ก็เลยหาไปหาครูบาอาจารย์ท่านน่ะบางท่านก็ด่ามาบอกไม่ใช่ไม่ได้สอนแบบนี้แล้วสุดท้ายก็เลยมาหาหลวงพ่อเนี่ยทีนี้พอมาหาหลวงพ่อเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกตรงๆเราถามอะไรหลวงพ่อก็ไม่บอกตรงบอกเฉดไปเฉนมาเนี่ยแต่ว่าเราอะเรามารู้เอามารู้ออกว่าอ๋อพอผ่อนตรงนี้คลายตรงนี้อ๋อมันที่ผ่านมาเรา เพ่งเกินไปเราไปจ้องเขาไปจ้องรูปมากเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมันหาพอหลวงพ่อบอกอย่างนั้นทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นสังเกตอย่างนั้นงั้นเราก็ไปสังเกตตามนั้นก็มันก็มันมันก็ถอยมาอยู่ตรงกลางได้คือไม่หนักไปไม่เบาไปก็มาอยู่ตรงกลางมันก็จะไม่เห็นความคิดเห็นความคิดที่เป็นเส้นตรงมั่งเป็น เป็นกลมเป็นเป็นรูปกลมๆเป็นฟองสบู่สุดท้ายมันแตกออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเห็นการเกิดการดับของความคิดอย่างเงี้ยค่ะก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนหลังก็มาฝึกนอกรูปแบบก็หลวงพ่อก็ซัดทุกอย่างอะให้มันกระเพื่อมจากที่มันว่างๆอยู่ไม่มีความคิดเลยไม่แตกเป็นเรื่องเป็นราวบางทีมันแตกออกมาตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บอย่างเงี้ยก็สนุกดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ นามัส ก, การหลวงพ่อและคณะสง์นะคะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะดิฉันมาลีจิระศัก์ยกุลค่ะเริ่มเริ่มปฏิบัติทางสายหลวงพ่อเทียนนี้ก็ปฏิบัติกับแม่อั้วมาพอแม่อั้วสิ้นก็เลยมาแต่แต่มาหาหลวงพ่อก่อนตอนที่ปีอะไรตอนทอดกระถินทอดกถินปีห้ 6, าหกห้าหก จากการที่ปฏิบัติมานะคะจะเห็นว่าชีวิตมันเรียบง่ายมากไม่ไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากซื้ออะไรไปเที่ยวเขาช็ชอปปิ้งกันเราก็ไม่เห็นอยากได้อะไรสักอย่างแล้วก็พูดโกหกไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นนะการค้าขายก็คงจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเวลาทําค้าบอกว่านี่ถ้าเวลาต่อรองราคานะ เธอจัดการให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าขบวนการผลิตการจัดสง่งอฉันจัดการเองแต่ให้ฉันต่อรองราคาเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นในการพูดอะ่ะเราก็ไม่ได้อ่ะเราก็มันกลายเป็นคนโกหกไม่เป็นไปแล้วอะ่ะเวลาเขาต่อว่ามาันเพื่อนก็จะต่อว่ามาเวลาทําไมเธอขายราคาถูกจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพอพอพอพอไหวนะกําไรพอมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าทําธุรกิจนี้จะทํายังไงดีละคะหลวงพ่อ อไม่ใช่หนูก็คิดคำนวณขนาดเนี้ยพอใช้อะค่ะประมาณสักสิบเปซ็นเนี่ยจะเพื่อนมาเจา้ายี่สบสามสิบมันก็ต่อว่าเราใหญ่เลยว่าถ้าเกิดต่อไปเขาจะขอต่อราคาแล้วเธอจะเอาช่องว่างไหนให้เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยหนูทําได้เดี๋ยวนี้หนูทําไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยหนูจะอ๊้ยสายท้ายายอะไรเกินเวอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ไม่คือค้าขายก็แบบว่าไม่ต้องบอกตรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ร้างอะไรขึ้นมาว่าปัญหาภาละอะไรยะแย ะ, แยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมันโกหกไม่ได้เลยบอกว่าถ้าต่อรองราคานะโยนไปเลยไม่ต้องมาทางนี้เลยมาทางนี้เดี๋ยวก็เอากาไรแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นนะคะเพราะว่าหากค่าใช้จ่ายหากอะไรมีกําไรเหลือแบ่งกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนูซื้อของแพงหนูก็ไม่เดือดร้อนนะฮะหนูซื้อแล้วก็ตัดเลยนะซื้อแล้วก็จําราคาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาขายหนูแพงหนูก็ไม่ว่านะ แต่แต่เราขายเขาเนี่ยขายแพงไม่ได้ก็อยู่ได้ค่ะก็คือเราก็พอใจอ่ะเราก็พอใจขนาดการทําการค้าเนี่ยนะฮะเรื่องภาษีเนี่ยก็บอกก็บอกบัญชีนะว่าอยากทําตรงไม่อยากโกงไม่อยากจะแต่งบัญชีบัญชีก็บอกพี่ไม่แต่งไม่แต่งบัญชีไม่ได้นะเดี๋ยวมันเปรียบเทียบแล้วมันเขย่งเยอะเดี๋ยวพี่โดนตรวจนะ เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัมภาร์ถ้ามันขย่งเยอะมันก็จะถูกตรวจก็ต้องทนทำไปอเผอิญปีที่แล้วโชคดีว่าเขานิรโทษกรรมของเก่าเขาจะไม่ตรวจบัญชีเลยบอกว่าเออตอนนี้ทำเป๊ะเลยเดี๋ยวมาหาวิทยาลยออกเอาเองผมนนพงษ์พมมายน์ครับเป็นแนะนำมาจากคุณพ่อประจวบมาครั้งนี้ได้มาครั้งแรกครับแต่เคยเจอพระ อ, อาจารย์มาแล้วสองครั้งที่ที่ จดหมายเหตุครับแล้วก็ที่สิงบุรีด้วยครับที่หลวงพ่ออยากมาอยักมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่ามันก็แบบคือทํางานมีภารกิจอะไรอย่างเงี้ยมันมาลําบากครับแต่คราวนี้ยหยุดหลายวันก็ได้โอกาสดีครับได้ได้มาได้ฝึกเต็มๆสักทีครับผมคือเดิมดีอยู่แล้วครับ แล้วแล้วก็เลยไม่เห็นแตกต่างก็แตกต่างครับแต่ว่ามันก็ไม่มากเพราะว่าเดิมท่านก็ดีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเห็นท่านจะฝึกเยอะมากอยู่ในห้องก็เห็นยกมือเดินจงกรมทั้งวันครับครับผมดีกว่าเดิมครับกราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็สวัสดีญาติธรรมนะคะ ปฏิมาปีนี้เป็นปีที่ห้าค่ะพระอาจารย์สิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยจะเห็นชัดมากจากชีวิตประจําวันที่เราอยู่กับคนอื่นกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยสามปีแรกเนี่ยมันยังต้องคิดก่อนเวลาเกิดอะไรก็คิดตามหลักธรรมะแต่นี่ใจรักนะอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็คิดแต่ว่าพอปีที่แล้วถึงปีเนี้ไม่ไม่ค่อยต้องคิดไปถึงเนื้อหาของธรรมะแล้วค่ะ เหมือนก็เกิดก็เข้าใจแล้วก็ก็จบได้ส่วนใหญ่จะจบได้เลยแล้วก็ที่ที่มีประโยชน์ที่สุดคือปีที่สองพระอาจารย์สอนฝึกให้ดูว่าอะไรเกิดกับรูปอะไรเกิดกับ น, นามโยมก็ทำมาทุกวันผลที่ได้ของตรงเนี้ยตัวโกมันมันค่อนข้างหายไปเยอะแล้วที่ชัดมากกับรูป เวลาเราเกิดอะไรขึ้นที่รูปเช่นความเจ็บปวดหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเนี่ยมันสามารถจะเป็นผู้เห็นได้จริงๆคือก็เห็นความเจ็บแต่ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าโยมก็ฝึกด้วยกันที่พระอาจารย์สอนว่าอะอะไรเกิดกระรูปน้ำรับรู้นะมันไม่น้ำไม่มีตัวตอนอะมันจะเจ็บจะปวดไม่ได้โยมก็ฝึกมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นผลดีกับความเจ็บปว่วยนี้จะชัดเจนมากค่ะว่า มีช่วงที่ต้องนอนเลยเจ็ดแปดวันที่ไม่สามารถลุกได้ไม่อะไรได้เลยเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ค่ะพระอาจารย์เพราะจิตมันก็รับรู้ก็เฉยเฉยก็มันเหมือนเข้าใจชื่อว่าเออศัต่ว่าเป็นยังไงโยมก็เพิ่งเข้าใจในช่วงปีที่แล้วถึงปีเนี้ยค่ะปีที่สามกว่ากว่าสามปีครึ่งอะค่ะค่ะสามปีกว่าเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ด้วยความคิดนี่คะอ่าอะไรเกิดกระลุบอ๋อรูบร้ อ, รรอนอันน้ำรับรู้จบ ยงก็จะฝึก อ, อย่างี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนรูปเป็นอย่างนี้นามอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ก็ก็จนชินแล้วจนอย่างล่าสุดเนี่ยทอดแล้วน้ํามันกระเด็นใส่มือร้อนมากแต่แวบแรกเนี่ยมันจะเป็นฉันก่อนแวบบเดียวค่ะพระอาจารย์มันก็จะโอฉันเจ็บเพอาปเดี๋ยวบอไปก็เห็นความเจ็บที่รูปนํารับรู้แล้วมันก็จบเลยแต่ความเจ็บเราเห็นแต่เราไม่เป็นผู้เจ็บอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะมา ก, มากค่ะพระอาจารย์กับกับร่างกายปัจจุบันเนี่ยจัดการเรื่ความขี้เกียจได้ยัง ก็ได้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคนทั้งอะไรเราก็เฉยๆอะค่ะไม่ไม่ตําอ๋อถึงเจ็ดนะคะโยมมาไปได้เยอะจริงๆค่ะไม่คิดแล้วเดี๋ยวนี้เฉยๆเฉยๆอะไรก็เฉยๆหมดนะคะอย่างกิเลสอย่างยาหมดส่วนใหญ่หมดเลยค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องทุกเรื่องก็ไม่ไม่ยุ่งก็เฉยๆก็เฉยๆแล้วเพื่อนว่าใหม่ๆปีแรกๆก็ รู้สึกกระเทือนแล้วทไมเธอไม่ไปเที่ยวอีกแล้วทําไมเธอก็จะรู้สึกตอนที่เพื่อนว่าแต่เดี๋ยวนี้เขาพูดอะไรยมก็เฉยๆกราบนมาสการพระอาจารย์ทุกทุกท่านค่ะปุ้ ม, มค่ะ อ, อ, อยู่ที่สถาบันอสมศินค่ะคือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตลอดคอร์สของคราวนี้แต่ว่าตั้งเคยเข้ามากับพระอาจารย์หนึ่งคอร์สค่ะ แต่คอสนี้ก็ไม่ได้เข้ามาประจ์แต่ขอม า, ม า, มากราบนมรสการพระอาจารย์<า>ค่ะมาแล้วไม่ได้เส้นพอ ด, ด, พอดีวันนี้เนี่ยต้องมาทำงานค่ะแต่ก็ขอแวะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาฟั ง, ฟ, งฟังพระอาจารย์ก่อนก็จากที่เคยเข้าคอสกับพระอาจารย์สักเมื่อสองปีกว่าคราวนั้นที่บ้านของอาจารย์ประภาพัฒน์ค่ะ ก็ตอนนั้นก็จิตก็ยังเป็นคนที่จิตไม่ได้เข้มแข็งอะไรเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้เข้มแข็งถึงขนาดแข็งแกร่งอะไรนะคะแต่ก็อยู่ในช่วงที่ยอมรับความจริงได้มากขึ้นแล้วก็วันไหววันไหวกว่ากับสิ่งที่เผชิญน้อยลงกว่าเมื่อก่อนแต่อารมณ์ที่ยังไหลไปตามความรู้สึกเนี่ย บางทีก็ยังมีอยู่เสมอเช่ <c oughs> นแบบคำพูดที่ไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูกใจหรือว่ารู้สึกโมโห ข, ขึ้นมาแต่มันรู้สึกไปแล้วก็แต่ก็ระงับเห็น <c oughs> เห็นได้ทันที่สังเกตว่าตัวเองมีพัฒนาการขึ้นก็เพราะว่าจากเมื่อก่อนที่มันความรู้สึกมันฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวได้ง่ายเนี่ยบางบางภาวะที่มันรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ย มันเห็นใจตัวเองเนี่ยมันแกว่งเวี่ยงไปมานั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานเนี่ยแต่มันก็เห็นเหมือนกับอะไรมันเหวี่ยงไปมาอยู่บนโต๊ะแต่มันก็คุมตัวเองไม่ได้มันหยุดไม่อยู่แล้วก็ความประเพีทีเคยทำมันไม่ได้ทำต่อเลยไม่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าหนูเล่าถึงเมื่อเมื่ออดีตค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนที่หลังจากที่มาเข้าคอร์สกับอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์หนูก็ทํามาเรื่อยๆค่ะมันก็ดีขึ้นแล้วก็มันก็หมายถึงว่ามันก็ยอมรับกับ สถานการณ์ที่เกิดกับตัวเองได้ดีขึ้นไอ้อาการที่มันเวียงสภาวะที่เห็นจิตใจที่มันเวียงเน่ะมันก็หายไปแต่มันก็มียังมีไอ้ภาวะที่ที่ยังปุ๊บปาดกับไอ้ภาวะที่เข้ามากระทบอะคะแต่ว่ามันอดทนแล้วก็ยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ไม่ไปโกรธกับมันนานระยะช่วงระยะเวลาที่ไปจมดิ่งกับความคิดกับบางเรื่องที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรามันสั้นลงอะ แต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบรับรู้แล้วก็ตัดขาดไปได้เลยหนูก็จะมีช่วงของวันศุกร์ทุกวันศุกร์ที่ทำกับสถาบันนะคะแล้วก็มีช่วงเช้าช่วงเช้าบ า, บางวันเท่านั้นที่ที่ได้ทำคือไม่ยังยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีวินัยพอจะมีที่ทำได้ก็คือสวดมนต์ก่อนก่อนเข้านอนทุกคืนอย่างเงี้ย น, นะคะที่ยังทาได้ มีมีสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติจเจริญภาวนาเนี่ยทุกเช้าวันศุกร์ค่ะค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะสิบสี่จังหวะค่ะในเครื่องไหลว้ซึ่งก็จะทําปุ้มก็จะทําก็ก็จะวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็จะร่วมปฏิบัติด้วยกันนี่ค่ะอาจารย์ผ่องท่านก็จะนําแล้วก็อาจารย์ประภาภัฒนท่านก็จะเข้ามาร่วมนํา การเจริญสติทุกวันสุกเช้าค่ะวันจันทร์ผิวแดงชื่อกรวรรณค่ะกลับสวัสดีพระอาจารย์มาวิสขันพระอาจารย์แล้วก็กลับพระสงฆ์ทุกลูกสติญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อกรวรรณวันนี้โยมมาเช้าย็นกลับเจ้าค่ะแต่ว่าเดียเด๋ยวเดือนหน้าจะไปที่เชียงใหม่ไปไปฏิบัติกับท่านอาจารย์สมัครไว้แล้วมิจุนาค่ะพอดีพุ่ง พุนี้ยังต้องไปทำงานอยู่ยมปฏิบัติกับท่านอาจารย์ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปลายปีคะ่ะก็เข้าคอร์สเจวันนี้สครั้งแล้วคะ่ะก็ที่บ้านก็พยายามทำให้ได้ทุกวั น, วนเวลนสา3สิบนาทีเท่าที่ดูก็คือว่า ปกติอจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือตอนเนี้ยจะจะน้อยลงคือเหวี่ยงกับอารมณ์น้อยลงค่ะแล้วก็ความกังวลเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าถ้าวันไหนแบบไ ม, ม่ปฏิบัติจะรู้เลยมันเหมือนกับความกังวลมันจะเยอะแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาปฏิบัติค่ะมันมัน มักจะมักจะคิดในทางลบแล้วก็ทําให้ตัวเองทุกข์เท<อ>่าที่สังเกตนะคะทำวันละครึ่งชั่วโมงมมเดินั่งทำหรือเดินทำเดินสลับกับนั่งเดินจงกรมแล้วก็นั่งทำสลับท่าค่ะแต่แต่แล้วแต่วันค่ะบางวันก็ก็ไม่ค่อยมีวินัย น, นะก็เดินไปเดินมาเฉยมีครั้งที่แล้วมาเช้าเย็นกลับแต่ว่า ไม่ได้เอาไปฝึกต่อท่านสอนเหมือนกั น, น, นที่ที่ทำเนี่นไย ไ, ไ, ไม่ไม่ได้ทาําช่ไหมเยอะเจ้าค่ะก็ก็จริงๆจริงๆเนี่ยแบบครึ่งช่วงที่เล่าให้ท่านพระจานทร์ฟังเนี่ยมันจะยากสําหรับโยมแล้วเพราะว่าโยมถึงบ้านเนี่ยก็สามทุ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็ออกประมาณหกโมงอะไรประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวจะพยายามปรับเวลาดู สวัสดี่จริงๆยงก็ทําค่ะแต่เดยวมอาจจะเพิ่มเวลาหน่สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระศาลและคณะสงค่ะก็สวัสดีสสดอ่าญาติธรรมทุกท่านค่ะพัชธิดาพมายนตค่ะเป็นลูกสะใภ้หลวงพ่อเจเนียเปี่ยมสุขค่ะก็มาไม่ได้โ <c oughs> ดนบังคับมาค่ะก็ภรรดาในบ้านบ้ง <c> ค <oughs> ับคะค่ะ <c oughs> ก็เป็นข้าคอร์ดครั้งแรกค่ะแต่เคยพบอาจารย์ที่กับเหมือนกาแฟนะคะที่สิงห์บุรีแล้วก็ที่หอจดหมายเหตุสองครั้งนะคะจริงๆไม่ได้ทำนั่งดูแฟนทำนด้เวลาทำได้จะทำตามได้เวลาก็สอนก็ติดตามหลวงพ่อมาพร้อมกับคุณประจวบคือครั้งนี้ครั้งที่เก้าค่ะช่วงก่อนกก็ ทำทำทำในรูปแบบที่มาปฏิบัติเนี่ยเต็มที่แต่พอกลับไปบ้านคล้ายๆลูกสาวอะคะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็จะทําดีหน่อยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ครั้งที่แปลกคือครั้งที่แล้วเนี่ยทําทุกวันนะคะเพราะว่าก็อยู่กันในห้องเราคุณประจวบบางทีเราก็ทําข้างบนบางทีก็ลงมาทําข้างล่างพร้อมกันนะคะก็รู้สึกตัวชัดเจนขึ้น ข, ขึ้นเยอะกว่าเดิมมากเลยจะรู้แม้กระทั่งว่าก้าวไปแล้วก็เย็นร้อนตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นอะไรเงี้ยจะรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์เรื่องความโกรธหรือเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามีอะไรเข้ามากระทบเนี้ยเราก็จะปรุงแต่งไปไปทานเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่นะคะแต่บางครั้งเนียถ้ามากระทบต่อหน้าเลยเนียก็ยังยังโกรธอยู่ ไม่ไดกรกับใครลคะค่ะก็กับคุณสามีอะค่ะ <c ười> คือเขาพยายามจะสอนนะคะ <c ười> เขาพยายามจะสอน <c ười> เขาก็จะสื่อมาด้วยว่า <c ười> เหมือนคำพูดที่ว่าอันนี้เป็นเมตนาเข้ามานะแล้วจะมีวิญญาณเแ ล, ว, <c ười> แลวเขาจะบอกว่าเบาๆหน่อยเพราะเราเรายังเป็นสมมุติท่านเป็นปรามาตัติตต้องไปคุยกับหลวงพอ่อ <c ười> <c ười> <c ười> แต่ว่า พอตอนหลังๆเนี่ย <_ d ata> เขาก็ใช้คําพูดที่มันธรรมดาขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณเขามากที่เขาก็พยายามจะให้เราเนี่ยได้เข้าใจแต่บางทีเราก็ยังรับไม่ค่อยได้ตามนั้นเราก็ใช้วิธีเขาก็บอกเอางี้แล้วกันก็ทําไปตรงเนี้ยทําให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆก็ก็รับว่ามาครั้งนี้เนี่ยพอเริ่มทําเลยเนี่ก็ก็เบาโล่งโปร่งสบายเลยอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเดินมาหรือไม่ว่าจะยกมือซึ่งผิดกันท้างคนก่อนไม่มีค่ะการนั่งการอะไรก็ได้ดีกว่าเดิ ม, มค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะฝึกเอสทด้วยเช้ากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงที่ก้มลงไปแล้วก็ทำพวกขาตรงนี้ค่ะสูรหายใจตรงนั้นก็นับว่าได้ผลค่ะหลวงพ่อกราบนำมันสการหลวงพ่อนะคะแล้วก็พระส่งทุกรูปนะคะ ดิฉันนางปิยวรรณชินพีนะครับเป็นแม่ของพาลูกชายเกียรติิยมนะค ะ, ะที่มาครั้งนี้นะคะเป็นเพราะลูกชายนะค ะ, ะให้มาคือกว่าจะได้มาเหมือนมีมารมาคอยขัดขวางอยู่เรื่อยนะค ะ, ะใจจริงแล้วอยากมานะคะหลวงพ่อแต่ว่างานเยอะนะคะไม่ใช่เป็นข้ออ้างแต่เราเป็นครูนะคะคือถึงจะ ปิดภาคเรียนหรือปิดเทอมเนี่ยก็ต้องขอบงานมาทำที่บ้านเพื่อว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมงานให้เสร็จพร้อมที่จะใช้นะคะในเปิดเทอมข้างหน้านี้นะคะพวกแผนปฏิบัติการบ้างแผนพัทบ้างคือทีร่รงเรียนโรงเรียนเล็กครูน้อยเราต้องทำทุกอย่างนะคะคนนี้ที่มาไม่รู้ว่าลูกชายครู ด, ด้วยหรือเปล่าเลยเลยต้องมา ครั้งแรกเลยลูกชายบอกอถ้ายมแม่กับยมพ่อไม่มานะจะไม่สึกน ะ, อะตอนแรกก็เฉยเฉยก็ไม่ไม่ค่อยคิดอะไร่ะเฉยไม่สึกก็ไม่เป็นไรอะไรก็คิดอยู่นานก็มีอีกครั้งหนึ่งก็ไลคุยกับพารลูกชายก็ยมแม่มานะที่กรุงเทพนะใกล้ไม่ไม่ต้องถึงแพร่เพราะว่าตอนตอนที่ลูกชายบวช ติดตามพระอาจารย์อยู่ที่แพร่ก็ก็ตามไปหาพระอาจารย์อยู่สองครั้งนะคะที่วัดดอยกับวัดแพร่แสงเทียนนะคะคราวนี้ฉุกคิดอีกอย่างหนึง่งลูกลายไปบอกว่าแม่มาได้ไหมก็บอกงานแม่ยุ่งไม่รู้ว่าจะเคลียร์เสร็จไหมครนี้ลูกชายก็ลายไปทําไมโยมแม่ทําทําเพื่อคนอื่นทําไมยมแม่ไม่ทําเพื่อตัวเองนะคะ อพอลูกชายพูดอย่างนี้เหมือนจะร้องไห้เลย<笑><笑><笑><笑><笑>ก็เลยตัดสินใจก็เลยบอกลูกว่าอาจจะมาแม่จะมานะจะมาแต่พอจะมาจริงๆเอาป่วยขึ้นมาซิกแล้วปวดฟันมากวันสองวัน ก, นก่อนที่จะมาก็อาถงใจจะมาไปหาหมอพยายามไปหาหมอแปลกใจเหลือเกินว่าไปหาหมอครั้งใดไม่เจอหมอที่รักษาอยู่ประจำ หมอไปต่างประเทศอ่ะคราวนี้ตั้งใจจะมาและบอกสัญญากับลูกแล้วว่าจะมาก็เลยเอายาที่หมอให้หมอใจยาแล้วก็เอามารับประทานนะคะความรู้สึกครั้งแรกเลยว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมทาไมมานมันผจญมากจังก็เลยทําให้รู้สึกมุ่ง ม, มั่นที่จะมานะคะที่ศรีบุรีอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ไทยคะ่ะ ค่ะเป็นอเลยว่าอ๋อแฟนแฟนเป็นพอร์แต่ได้เป็นครูสายผู้สอนนะคะค่ะคือแต่ใจก็ชอบทางนี้อยู่แล้วนะคะคืออยู่บ้านก็จะสวดมนต์ทำบุญอะไรเงี้ยจะชอบค่ะคราวนี้ก็ความรู้สึกว่าถ้าเราได้มาก็สามารถที่จะนําไปใช้กับเด็กได้ด้วยก็เลยมุ่งมั่นว่าเออได้มาก็จะได้ไป กับน้ัสการหลวงพ่อและพระสงค์และญาติธรรมทุกคนนะคะ เ, เพิ่งมาครั้งแรกโดยการแนะนําของคุณป้าวาลุณีนะคะก็ค่ะเพราะว่าคุณป้าว่ามาทางท่านหลวงพ่อปฏิบัติรู้สติตลอดเลยก็เมื่อก่อนหน้านี้เคยทําอยู่ที่หลวงพ่อสนองวัดสังฆทานแล้ว10บกว่าปีแล้วก็ตอนหลังก็มีไปหลวงวัดมเหยยงหลวงพ่อสุรศักดิ์นะคะและปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่จะไปหลวงพ่อสุรศักดิ์นะคะ มีคุณฐ <as> <ๆ> <c oughs> านดีพอดได้สิบปีนะถือเป็นโชคดีมากเลยค่ะที่คุณป้าจองแล้วได้ะค่ะที่แรกค่ะได้ <c oughs> ได้มีบุญมาทางทา ง, ทางทางหลวงพ่อนะคะครั บ, าบการน้มาสการหลวงพ่อและคณะน้าส่งทุกท่านนะครับแล้วก็ญาติธรรมที่นี่นะครับก็ผมนายดิศรุดมศาสตรพ์พรนะครับก็เป็นเป็นสามีคุณจุฑาม่านี่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ จากการแนะนำของคุณป้าวารุนีเช่นกันนะครับเป็นเป็นครั้งแรกก็เพิ่งเพิ่งเ พ, พิ่งรู้จักหลวงพ่อนะครับผมก็ได้ได้เซิร์ชเข้าไปดูในในในอ่าในในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เห็นวิธีการปฏิบัติก็สนใจแล้วก็ชอบอยู่แล้วครับในในการปฏิบัตินะแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาก็เหมือนภรรยาเลยก็คือ ที่หลวงพ่อสนองวัดสังฆทานแล้วก็หลวงหลวงพ่อสุรศักดิ์ที่วัดมหยิยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ mm. ก, ก็รู้รู้ตัวว่าในการปฏิบัติเนี่ยก็คือวินัยก็ยังไม่คร่งก็คือมันดีในช่วงแรกแล้วก็พอเลยผ่านไปก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มคลายแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังก็ยังพยายามพยายามฝึกสติ การฝึกสติก็หมายถึงว่าให้ให้ให้จิตเนี่ยมารู้ที่ตัวถ้าถ้ามีสติเมื่อไหร่ก็จะมาอยู่ที่ตัวตลอดแต่ว่าก็ยังยังเหมือนมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่ายัางยังฝึกไม่ไม่ไม่มั่นคงนะครับก็เลยมีมีครั้งนี้ได้ได้มาฝึกทางนี้ก็เลยอยาก